วันนี้เป็นวันพระ15้าคำ่ำเดือนแปดแรมส5้าคำ่ำนับตั้งแต่วันเข้าพรรษามาวันนี้ได้ส5้าวันถ้าเราจะเรียงตามลำดับที่เราจะรักษาศีลปลอดไรมาศสามเดือนทุกวันพระ8ดค่ำส5บห้าคำ่าคำเดือนหนึ่งก็มีสี่ครั้งสี่สามสอง แต่ถ้าหากว่าเราจะรักษ า, ากเฉพาะอุโบสถศีลวัน15บ่ําค่ำก็เพียง6วันรักษาศีลเพียง6วันเป็นวันพระใหญ่ถ้ารวมเป็นพระวันพระเล็กด้วยก็เป็น12วันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ถ้าเป็นนักมวยก็ให้ ให้ชกครบยกกว่างั้นเถ อ, อะ12ยกมวยสากลมวยไทยนะ6ยกงานเออนอะเพรานั้นให้ครบยกให้จบบริบูรณ์ถึงใจทุกยากลำบากยังไงก็พยายามขัดเกลาพยายามปรับปรุงแก้ไขพยายามสร้างคุณงามความดี ใส่กายวาจจใจของเราพอเราปล่อยปะละเลยมานานปีหนึ่งมี365วันเราจะรักษาศีลโอโบสดหรือมาวัดเพียงหวันไม่ได้เหรอในปีหนึ่งว่าเรานับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่ง6วันเราจะไปวัดตลอดทั้งหวันไม่ได้เหรอไปเฉพาะเฉพาะวันพระใหญ่ ถ้ามากกว่านั้นเราก็ไปแปดค่ำได้ไหมเนี่ยรวมแล้วก็สมเทือน3 4มสีบวั น, นถ้านอกจากออกพรรษาไปแล้วพวกเราก็เอาเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไม่ได้เนี่ยสุดแท้แต่จะได้ไปวันไหนแต่โดยมากมันไม่ได้ไปนั่นแหละเป็นส่วนมากเพราะเราก็คือว่าธุระการงานขัดข้อง แต่ตามพี่ยิงไม่ควรจะขัดข้องถึงขนาดนั้นควรจะหาโอกาสหาเวลายัางหลวงปู่ชาท่านบอกว่าถ้าว่าพวกเรายังหายใจเข้าออกอยู่ก็ต้องมีเวลาภาวนาถ้าว่าพวกเรายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่พวกเราก็ควรจะมีเวลาภาวนาอันนี้แต่พวกเราบอกว่าไม่มีเวลา เวลาอย่างอื่นเราหาเวลาได้แต่เวลาที่จะสร้างคุณงามความดีหายากเหลือเกินนะอันนี้ก็ควรจะสอนตัวเองเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเครื่องกล่าวย้ำเตือนซึ่งกันและกันเท่านั้นเองชวนจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรกระสุดแท้แต่พวกเราท่านทางหลายเพราะศาสนาพุทธศาสนานั้นไม่มีการบังคับไม่มีการขู่เข็น มีแต่ชี้นํอ่าออันนี้อย่าทํานะมันไม่ถูกเหมือนกับฝันปะอันนี้ไฟนะร้อนนะอ่อย่าทนะํานะจะจับนะมันร้อนนะเนี่แต่พวกเรายังขืนจับไปมันร้อนมันไหม้ก็ก็ช่วยไม่ได้เพราะบอกแล้วอั น, นี้เหมือนกันพระพูดให้เจ้าท่านก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนสําหรับคารวาทท่านสอนอย่างไรสําหรับเป็นเนี เนนท่านสอนอย่างไรท่านเป็นพระเนี่ยท่านสอนอย่างไระวิธีทางแนวความคิดวิธีแนวการพูดควรจะพูดอย่างไรวิธีแนวการคิดก็ควรจะคิดอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนหมดทั้งกายทั้งวาจาท า, ทางใจทางใจการนึกคิดควรจะคิดแนวไหนส่วนวาจาควรจะพูดแนวไหนส่วนกาย การแสดงออกการกระทำควรจะทำอย่างไรอันนี้ถ้าเราศึกษาในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ารอบคอบเฉลียวฉลาดแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้รู้จักแนวความคิดให้รู้จักในการประพฤติปฏิบัติ แต่ยุคสมัยนู้นพอพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ลุมกันเลลุมกันถกเถียงลุมกันไม่เห็นด้วยก็มีต่างเยอะแยะในยุคสมัยนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่แคร์ท่านไม่แคร์ใครพูดพระพุทธองค์รู้แล้วว่าอันนี้มันมันไม่ถูกอย่างพระพุทธองค์อย่างมีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปกับพระพุทธเจ้านะพราหมณ์คนนี้เขามีลูก ลูกคนเดียวเขารักมากพอได้มาตายซะสิพอมาตายาาเขาก็ไปกราบพระพุทธเจ้าเขากราบด้วยบังเอิญก็กราบด้วยความวตโศกเศร้าโตโตเต๋อเข้าไปเข้าไปกราบพระพุทธเจา้าโอ้ยส ม, มณะโคโดมผมไม่ลูกก็ามามาละะภาพแล้วตายไปซะผมรู้สึกเสียอกเสียใจมากพระพุทธเจ้าได้ยินท่านบอกว่า ที่ไหนที่รักมากก็มีทุกมากที่ไหนมีมีความรักมากตรงไหนที่รักมากตรงนั้นก็ทุกมากอันนี้คือคําพูดของพระพุทธเจา้าแต่นี้พราหมณ์คนนั้นที่ได้ยินแล้วอุบาสก ค, คนนั้นได้ยินแล้วสายหัวเลยสมณะโคดมพูดหน้าเดียวทําไมไม่พูดถึงว่า ถ้าสิ่งไหนรักมากสิ่งนั้นมีความสุขมากก็มีอยู่ตั้งเยอะแยะทำไมไม่พูดอย่างเรารักลูกรักเมียรักทรัพย์สมบัติรักไร่รักนาจะเป็นรักอะไรก็ตามเมื่อเรารักแล้วเราได้สมความรักสมความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วมีแต่ความสุขจะมรณะโคดมทำไมไม่เห็นพูดทำไมพูดจึงว่าสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นจะทุกมาก เพราะเหตุใดแนวความคิดสองอย่างนี้ถ้าเขาพูดแบบผิวเผินมันก็ถูกคือธรรมะเนี่ยมันมีอยู่หลายขั้นตอนมันมีอยู่ส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนลึกส่วนลึกคือส่วนกลางแต่เขามาพูดมาพูดในในแนวแนวส่วนกลาง เ, าเป็นแนวความคิดของสามัญชนทั่วไปเขาไม่ได้พูดแบบอริยะพระพุทธเจ้าในท่านพูดแบบอริยะสิ่งไหนที่มีความ รักมากหวงแหนมากถ้าพัดพลากไปจะมีความทุกข์มาก เ, เขาเพียงแต่ว่ามีความรักเท่านั้นเองเออมื่อมีความรักเราก็มีความสุขในความหมายแต่ตามไม่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เขาก็มาพอได้ฟังแล้วก็กสายหัวสายหัวเดินออกมาแปลว่าไม่เห็นด้วยที่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้น ออกมาก็มาพูดให้นักเลงสกาฟังนักเลงการพนันอยู่ในขอบนอกบริเวณนั่นน่ะ อ, อยู่ในเมืองนั่นน่ะพอมามาพูดวัาเนี่ยข้าพเจ้า้าไปกราบสมณะโคโดมเมื่อกี้นะพอไปกราบเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังสมณะโคโดมบอกว่าสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นก็ทุกข์มาก พวกท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรพวกนักเลงส ก, กานกเลงหมักฮอตนอนลไปอนักเลงการพนันพวกนั้นก็โอ๊ยไม่เห็นด้วยส ม, มณัโพรมพูดหน้าเดียวท่าว่าพวกเราได้อย่างใจของเราต้องการปรารถนาถึงไหนที่เรารักเนี่ยเรามีความสุขตั้งมากมายไม่เห็นทุกข์ที่ตรงไหนธรรมณัพูดไม่ถูกตรงนี้ส ม, มณัโพลมมันไม่เห็นด้วย กลุ่มนักเลงสกาเหานั้นไม่เห็นด้วยอีกแต่นี่พอไม่เห็นด้วยออกออกมาพูดวิจารณกันวันเอ่อฉะนั้นเสียงสนั่นบันไหวไปทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าเป็นถ้า ม, มีวิทยุโทรทัศน์อย่างทุกวันนี้ก็คงจะดังระเบิดเถิดเถิงไปทั่วโลกกว่า ง, งั้นอะอันนี้มันไม่มีมีแตป่ปากต่อปากปากต่อปากเอ่จนถึงเข้าไปในวังเข้าไปในวังของพระเจ้าปเสนที่โกศธนพระเจ้าปเสนที่โกศธนก็ให้เขาว่าความคิดความ เห็นของคนมันแตกแตกแตกต่างกันพระเจ้าประเศสที่โกศธนกันเลยเจะทานอาหารในพวกเสนาอมาตราชเสวกทั้งหลายโปรหิตรายจานทาั้งหลายมาเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงอาหาราก็เลยปารบคำนี้ขึ้นมาพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งไหน ที่รักมากสิ่งนั้นก็จะทุกมากแต่นี่เป็นคำพูดออกมาแล้วแต่สามัญชนทั่วๆไปมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองแขนงแล้วพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไรเนี่ย yeah. ในใครข้าวาเตรียมที่จะเลี้ยงโต้ ง, งั้นเถอะระว่าเลี้ยงโต๊ะจีนว่างั้นเถอะ yeah. และกำลังจะทานอาหารจรวดภคย า, า, ารในหมู่ บริวารเสนาอำมาตย์ราชเร์เปโโรหิตตาจารย์ทั้งหลายให้ข่าว่าปรึกษากันเหนในคำพูดคำนี้ทีนี้ก็นางมาลิกาเป็นอั克ะมะเหสีของพระเจ้าปเสนอยู่ในนั้นด้วยนางมรลิกาก็เลยบอกว่าติฉันขอกราบทูลพระองค์และทุทกคนคา ว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้นะ่ะท่านไม่ได้พูดแบบสามัญชนท่านพูดให้ถึงลึกถึงโทนถึงลากเงา่าถ้าอย่างที่พระองค์พระยาประสิทธรักไหมแวนแคว้นประเทศชาติรักไหมอัคคเหสีรักไหมบุตรธิดารักไห ม, ธธไหมข้าทาสบริวารทหาร น, น้อยใหญ่ที่ j o n รักพักดีพระองค์รักไหมถ้าสิ่งเหล่านี้พัดภาคไปสิ่งที่พระองค์รักจุดไหนมากสิ่งนั้นพัดภาคไปพระองค์จะทุกข์ไหมพญาปเสนได้ยินคําต่นั่นเองบอกโอ้ทุกมากถ้าหากว่าสิ่งที่เรารักแล้วพัดภาคไปจะต้องทุกข์ใจเป็นอย่างมากโอ้พระพุทธเจ้าตรัสถูกต้องดีหนอพระพุทธเจ้าตัดถูกต้อง พูดออกมาถูกต้องเป็นธรรมพอจากนั่นมากันเอาผ้าเสเวียงบาหันหน้าไปทางพระพุทธเจา้หาหันหน้าไปทางวัดป่าเชตวันนั่งคุกเข่าขึ้นมาแล้วกับปนมมือกล่าวนมโมสามจบนมโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตสามจบสรุปแล้วก็คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้น พูดถูกจริงๆแต่ว่ายอมรับเพางั้นถ่ายอมรับเนี่ยขนาดยังไม่ไปยังเอาผ้าเสเวียงบาแล้วก็นั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพูดถูกนี่แหละแต่เรามาพิจารณาดูแล้วไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ความคิดเห็นเนี่ยมันแปลกแตกต่างกันแต่ใครจะจับมุมไหนมาวิจารณ์จับมุมไหนมาพูดแต่ตามไม่จริงถ้าจับส่วนลึกตรงไปแล้ว ก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆพูดจริงๆไม่เป็นสองว่า ง, งั้นเถอสิ่งไหนที่เรารักมากถ้าเมื่อเขาพัดพรากจากไปตายไปหรือว่าหลุดมือเราหลุดไม้หลุดมือเราหายไปเราก็จะเสียใจมากทุกมากในสิ่งนั้นนี่แหละเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธศาสนา ก็ให้นำทมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังมานำมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นสำหรับฆราวาสก็คือศีลห้านี่นะ เ, เป็นพื้นฐานของคุณงามความดีจากนั้นก็ทำตนให้เป็นคนดีให้มีคราวาสธรรมธรรมของฆราวาสสัจธรรมะขันติจาคขะและอิทธิบาทซี สันทะวิริยะจิตตวิมังส า, า, าและก็ บ, บุคคลหาได้ยากสองอย่างบุพภกาลาีและก็ บ, บุกตันยูกะตะเวทิต า, าสิ่งเหล่านี้ทางว่าทำถูกต้องเป็นธรรมแล้วมีแต่ความาร่มเย็นเป็นสุขแต่ทางพวกพวกเราทําไม่ถูกแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนั่นแหละเพราะนั้น พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนำธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มาพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธองค์สอนความพร้อมเพียงความสามัคคีในกลุ่มในหมู่ในคณะเทว่าสังฆโสภาความพร้อมเพียงของสงฆ์เกิดสุขความพร้อมเพียงของกลุ่มจะเป็นหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์ถ้าหากว่ามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันวัดวาศาสนาอย่างวัดหลวงพ่อเหมือนกันมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันเกิดสุขถ้าหากว่าครอบครัวใดมีความพร้อมเพียงสมัคคีพ่อแม่ลูกเข้าอกเข้าใจกันก็เกิดสุขแต่ถ้าหากว่า มีความแตกแยกสามัคคีกันความคิดความเห็นออกทอกหลู่นอกทางไปคนละทิศทางกันหาความสงบสุขไม่ได้ในกลุ่มนั้นในหมู่นั้นในคณะนั้นโดยเฉพาะยางยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบเข้ามาอย่างใกล้ชิดอีกร่างกายของพวกเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าถ้านับตามอาการมีอยู่อาการ32 ในร่างกายของเรานี่นะเหมือนกับส0สบของคนอยู่ในร่างกายของเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีตับมีไตมีไส้มีกระเพาะอาหารมีอะไรละหลายๆอย่างจนถึงอุจจาระปัสสาวะในร่างกายของเรารวมแล้วส2สบสองว่าอาการสาสบสองถ้าว่าร่างกายของเราเนี่ย ส่วนใดส่วนหนึ่งแตกสมคีซะนี่ ส, สมมติตาข้างหนึ่งแตกสมคีมันเจ็บมันปวดมันป่วยร่างกายของเราอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขเมีความทุกข์กับตาของเราหูก็เหมือนการปวดหูข้างหนึ่งซะหรือฟันอกระดูกของเราเอามันออกไปชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันปวดมันลาวซะ ขนาดแข่งขาตีนมือจุดใดจุดหนึ่งที่มันเป็นฝีเป็นหนองถูกปิดหนามเกลียวอะไรก็ตามที่มันเจ็บร่างกายของเราทั้งร่างก็หาความสงบสุขไม่ได้เพราะมันแตกสมคติในจุดนั้นถ้าว่าร่างกายทุกส่วนมีความพร้อมเพียงสมคติกันคนคนนั้นร่างกายนั้นก็มีความสงบสุขอันนี้เพียงแต่ร่างกายอย่างเดียวเราก็มองเห็นแล้วไม่ใช่เหรอ ถ้าว่าร่างกายของเรามีความสมัคคีปองรองกันร่างกายของเราก็จะเดินเหินไปที่ไหนก็มีแต่ความสงบสุขสุขสบายแต่ถ้าว่าร่างกายแตกแย ก, กสมัคคีกันไปที่ไหนก็ไม่อยากจะไปทั้งนั้นแหละมันเจ็บมันปวดมันทรมานนี่ก็เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบไปข้างนอกไปครอบครัวได้พ่อแม่ลูก มีความพร้อมเพียงสมัครใกันเห็นกันยิ้มแย้มแมข่มใสครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นถูกเข้าใจอกเข้าอกเข้าใจกันถ้าเป็นทำหน้าที่การงานสถานที่ตํารวจราชการครูบาอาจารย์ถ้ากลุ่มนั้นมีความพร้อมเพียงสมัครใกันเห็นอกเห็นใจกันผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นผู้น้อยเคารพสิทซึ่งกันและกันกลุ่มนั้นก็มีความสงบสุข วัดวาศาสนาพระสองฆ์องค์เจ้าอย่างที่วัดของหลวงพ่อพระสามสิบสรูปถ้าว่าแต่แย ก, กสมัคคีองค์หนึ่งไม่เข้าหมูใช่มีแต่คัดค้านมีแต่เรื่องเะเลาะเบาแวงกันพระทั้ง32องค์ในวัดของหลวงพ่อนี่ยหาความสงบสุขไม่ได้เหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะแตกแย ก, กสมัคคีมี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นทันจึงว่าความพร้อมเพียงสมัคคีเกิดสุข เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการคิดการพิจารณาอะไรพยายามจะให้มีการแตกแยกแตกเล่าให้อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขยนอยู่ด้วยเหตุอยู่ด้วยผลมองกันด้วยแง่เหตุผลอย่ามองกันในแง่ร้ายถ้ามองกันในแง่ร้ายและไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามองกันในแง่เหตุผลแล้วสงบลงได้ทีเขาทีเราบางทีเราก็เอาเผอไผ่ไปบาง บางบางคนบางหมู่ปกเพื่อนเขาคงจะเช่นเดียวกันนั่น่หละเพ่ไพ่ไปผิดไปบ้งางแต่ถ้าไม่เจตนาจริงๆก็ให้อภัยแต่เราก็ต้องตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันมันไม่ถูกนะอย่างนั้นนะแต่เมื่อเตือนแล้วทําไม่ฟัง เ, เราก็จ้องจัดการตามขั้นตอนต่อไปแต่มาฟังแล้วก็อยอมรับและจบกันไป เ, เพราะมีผิดมีถูกด้วยกันทั้งนั้นแหะ เพราะการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการมองกันให้มองด้วยในมองแง่เหตุผลอย่าไปมองกันในแง่ร้ายแต่มองกันในแง่ร้ายแล้วไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้แปลว่าการอยู่ร่วมกันมนุษย์เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกถ้าว่าอยู่ตามลําพังอยู่น้อยคนก็คิดถึงหมู่ถ้าหาว่าอยู่มากๆก็ะทะเลาะกัน มนุษย์ฉลาดเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันแต่ส่วนเรื่องส่วนตัวเรื่องรักษาศีลเรื่องภาวนาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านนะภาวนาอย่าได้ขาดไหว้พระสวดมนต์ถ้าเป็นไปได้ก่อนนอนก็ไหว้พระซะการหังนสัมมาสัมพุทโธพุดทางธรรมังสังขัง จ, า ก, า, า, จ า, กากนั่งกับแพร่เพจตาอุทิศส่วนกุศลจากนา่งกันั่งภาวนา ห, าหนาทีสิบนาทีแต่ละวันอันนี้แหละเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่พุทธแต่ทะเบียนบ้านว่างั้นแ ต, แต่ถ้าหามาพวกเรานับถือพุทธแต่ไม่เคยกราบพระเลยเพอเพยังดูโถกอีกอจะเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทได้อย่างไงนู่นะตอนตายนั่นแหะจึงไป น, มนิมนต์พระมกุศลาใช่ จากนั้นก็ไม่คิดถึงพระเลยนั้นปลว่าใช่ไม่ได้ห่างเหินทางจิตใจจนเกินไปเราต้องศึกษาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรเราก็ควรประพฤติปฏิบัติทำตัวอย่างไรเนี่แหละให้ศึกษาถ้าศึกษาแล้วทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุมีผล อน่าศึกษาน่าเชื่อถือน่านับถือน่าเชื่อฟังเพราะว่าพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสออกมาตรงไหนมีเหตุมีผลทั้งนั้นเรามาวิเคราะห์ดูแล้วอน่านับถือน่าเคารพน่าบูชาทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสออกมาได้อย่างนี้อฉลาดจริงๆรอบรู้จริงๆ ไม่ปุถุชนสามัญชนทั้งหลายไม่สามารถที่จะพูดออกมาอย่างนี้ได้อันนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูดีๆแล้วพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสาระมีประโยชน์อย่างมากจากนั้นท่านก็สอนเรื่องสมาธิจะทำอย่างไงจิตใจจึงจะสงบเนี่ยท่านก็สอนอีกวิธีการทำจิตให้สงบให้ภาวนา นั่งกับสมาธิอย่างพระพุทธรูปนั่งจากนั้นกับภาวนาพุโทโธพุโทโธถ้ามันเผลอไปที่อื่นก็นดังดึงกลับคืนมาให้มันอยู่กับลมหายใจเขา้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าว่าจิตใจเข้ามาสู่ความสงบแล้วจิตใจไม่หิวโหวยกับอารมณ์ภายนอกมันจะไม่กว้านเดีมันจะไม่ชักนํา กิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาหาใจของเราเพราะใจของเรามีสติอยู่กิเลสมันก็จะไม่เกิดถ้าเราเผอขึ้น ม, มากิเลสมันก็เดินพาเลสเข้ามาในใจของเราเจากนั้นก็มีแต่เรื่องยุ่งเยิงวุ่นวายมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่าเรามีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลากิเลสมันจะเข้ามาไม่ได้เด้สิ่งไหนดีเราก็รู้สิ่งไหนไม่ดีเราก็รู้ สิ่งไหนไม่ดีเราก็ปัดทิ้งสิ่งไหนดีเราก็รับไว้นะลักษณะอย่างนั้นถ้าคนมีสติถ้าไม่มีสติก็อย่างว่านะอะไรก็รับหมดแค่นีเมอเอาเรื่องเอาเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเข้ามาสู่จิตใจจากนั้นก็จิตใจก็ร้อนรุ่มบุ่นวายนะเรื่องต่างๆเพราะนั้นท่านจึงให้มีสติในการทำสมาธิให้มีสติอยู่เสมอ แต่มีสติอยู่เสมอแล้วกิเลสจะเข้ามาไม่ได้จากนั้นก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาคนเราเกิดมาร้อยทั้งร้อยพันทั้งหมื่นแสนทั้งแสนล้านทั้งล้านตายหมดไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้ า, าได้เราจะไปอยู่คนเดียวได้เหรอเขาก็ตายเราก็ตายแต่ว่าความตายตัวนี้ น, นะมรณะภัยตัวนีน้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบอกพุทธเจ้าท่านว่าเรานึกดูสิ ตายแล้วจะเป็นยังไงตอนใจขาดเขาเอาไฟไปเผาเน่ยมันไม่ใช่ของคิดสนุกสนานเลยในจุดนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะนั้นภัยเกิดจากแก่จากเจ็บจากตายเนี่ยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดไม่พึงปราถนาท่าว่าพวกเราจะมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะั้นถึงจะมีความสุขมีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีเมืองมี อะไรก็ตามเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียศฐรนบรรดาสุสักดิ์สูงต่ำขนาดไหนก็ตามพระน่สุดตายตายแล้วมันมันสุขไหมเวลาตายทุกมากทุกทุกจนใจขาดเมงงื่อไงแต่ระดับไหนก็ทุกหมดทุกระดับเมื่อไงแต่เพราะนั้นพระองค์ท่านว่าตายเป็นทุกแต่เกิดเป็นทุกพวกเราไม่รู้เไงเจ็บเป็นทุกในเรารู้แหละตายเป็นทุกในรู้แน่ น, นอนเมื่อไงก่อนที่จะตายโอ้โ มันทุกแสนสาหัสถึงพวกเราจะยังไม่ตายแต่ผู้อื่นเขาตายไปนะ่ะแหมรู้สึกว่าซักตื่นสักงอเหือกซ้ายเหือกขวาทุรนทุลายเอมมันทุกข์มากๆใจจะขาดนะเนี่ยเพราะนั้นภพภริยาตายเป็นทุกข์้างบ่พวกเรายังไม่ชําระจิตเป็นชําระใจไม่ชําระกิเลสออกจากจิตจากใจอไม่คิดหาทางออกไม่ไม่คิดนะ นั่งสมาธิไม่คิดภาวนาไม่คิดหาทางออกไปทิศชําระจิตใจแล้วพวกเราจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารเกิดละตายเกิดและตายทุกอยู่เนี่ยชุกซ้ําแล้วทุกซ้ําเล่าทุกซ้ําซากพรกพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นแล้วท่านจึงนํำทำคําสั่งสอนมาแนะนําพวกเราให้รักษาศีลเนอ้อให้ทานเนอ้อรักษาศีลเนอ้อภาวนาเนอ้อ ภาวนาเนี่ยสำคัญให้ภาวนาอนิจังทุกขังอนัตตาเนอ ะ, ะร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเนออีกสักวันนึงจะต้องแตกสลายในที่สุดร่างกายแตกแต่จิตใจนั้นไม่แตกเนอะจิตใจนั้นจะต้องไปเกิดอีกปฏิสทัทธิใหม่อีกเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเนอะอันนี้คือพระพุทธเจ้าสันสอนลูกสอนหลานสอนพวกเราทัานทางหลายเพราะฉะนั้นพวกเรา พุทธมามกะพุทธบริษัทออกตนญาติโยมทุกๆ ท, ท่านเนอะอย่าประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้ตั้งตนเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอนะแล้วก็พร้อมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเพื่อสะแสวงหาทางพ้นทุกสแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุก ท่าพ้นทุกในวัฏฏะสงสารแล้วก็เป็นความสุขอนันตาการไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกก่อนที่จะเป็นไปถึงจุดนั้นก่อนนี่แหละมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างพวกเรานั่งภาวนานี่แหละฝุดอบรมบ่มนิสัยไปเรื่อยๆจนแกกล้างขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละหมดกิเลสตัดกิเลสคลายกิเลสออกจากจิตจากใจแล้วก็มีแต่โภล ม, มัสุขละทีนี้ นะวันนี้ขอพูดแต่เพียงเท่านี้ที่ว่าจะไม่พูดมากถึงขนาดนี้ละแต่ก็เห็นญาติโยมกุกบริษัทผู้เข้ามาใหม่มก็มีได้พูดให้ฟังต่อ น, นี้ไปก็เดี๋ยวจะเปิดเทปลงตาให้ฟังเอานั่งสมาธิต่อ